สับเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสับเพสังคาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจ และรูปทำนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมารณะความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสร้างมยามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มารณ์ปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตาังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตางความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าตาควรที่จะสังเวทอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตบิญญาโนครันปราศจากบิญญาณชุทโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเสสตีจากนอนทับปาทวีงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทางหาประโยชน์มีได้อนิจจาวัตสังคารา สังขารทั้งลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจิตตวานิโรจนตีครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสบูปะสมุสโค ความเข้าไปสงบรามงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจะมาริงสุจะมาริสาเรตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วย และจะต้องตายอีกด้วยตาเทวาหังมาริสามีเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมตเอทะสงสยโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเรา